การปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเราชอบไปบ้านภาคก็ไมยาคือการเรียนรู้ตัวเองว่าโดยสามสิบสี่ไปเปิดไหนล่ะถ้เป็นเป็นคุณหมา เกิดตั้งสติเกิจริงเกิดแต่เวลาสติเกิดนึกเกิด เ, เ, เองนี่จะบ้าเกิดเองเลยก็ไม่เชิญเพราะว่าสิ่งทั้งหลายต้องมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่ม เ, เกิดเวลาต้องทําเหตุให้เกิดสติกรู้สภาวะธรรมรู้สภาวะซึ <c oughs> ่งเราคอยทาความรู้จักถึง ใ, ใจเราเผลอไปคิดล้วก็รู้ว่าออกเผลอไปแล้ว ใจเราโกรดเรารู้ว่าออกโกันแล้ ว, ปลลวล UA, ปลไปตามรู้ไปดูไปตามรู้ไปแบบถ้าจิตเป็นจาําสภาวะได้แลวแ้วต่อไปพอเผลอปุ๊บนี่สติเกิดเองสติเกิดขึ้นใ่จะตั้งมั่นสมาธิจะเกิดขึ้นมาใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นแล้วปัญญามันจะเกิดที่เห็นเ่ยจิตจะเผลอไปห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ไม่ได้ ทุกอย่างมีแต่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับแทนที่เราเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุแล้วก็ดับไปนีว่าเราเห็นตามความเห็นจิตแต่ปฏิบัติธรรมบางคนรู้สึกว่าทำยากบางคนบ่นเรื่อยๆว่าทําแล้วล้มลุกลุกคลานไปเรื่อยๆที่มันล้มลุกทุกคลานเพราะว่าเราไม่พยายามรับความจริงจิตเป็ของไม่เที่ยงเราอยากไม่เที่ยง จิตมันเป็นตัวทุกข์นะมันเป็นขันธ์มันจะเป็นตัวสุขไปไม่ได้หรอกเราอยากให้มันสุกขัขขบพรวนด้วยจิตเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้เราอยากบังคับให้ได้โือที่เราพยายามฝึกกันมากมายเหน็ดเหนื่อยมากมายแล้วก็รู้สึกล้มลุ ก, ล, กลุกลางอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวรย้ด้ยวยเพราะเราฝึกพยายามที่จะฝืนธรรมะฝืนธรรมดานฝือธรรมชาติ ถ้าหากเราฝึกเพื่อจะอค้อยตามธรรมะนะคอยดูร่างกายนี้มันไม่เที่ยงน ะ, ะเดี๋ยวก็ไหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนมันไม่เที่ยงเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถา่ย า, ายมาีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปรู้ไปเรื่อยร่างกายมันเป็นทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นะถึงเมื่อยยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์กระทั่งนอนก็ทุกข์เลย เวลานอนก็ยังเป็นทุกข์เรากลิกไปคลิกมานี่ยเราเรียนรู้่็ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นหน้าตาจริงๆแล้วเป็นวัตถุเป็นต้นธาตุเรายืมธาตุของโลกนี้มาใช้เรื่องต้นยืมจากพ่อจากแม่มาแต่มามายืมวัตถุธาตุในโลกนี้เลี้ยงร่างกายนี้โตขึ้นมาถึงจุดหนึงก็คืนให้กับโลกอี ร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นต้นธาตมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายคนอยู่ไม่ได้เป็นสภาวะอันแดนหนึ่งไม่เพียงมัมีไตรักษณ์เป็นที่เราเห็นร่างกายเป็นเป็นไตรักษณ์ว่เาเห็นตรงกวเป็นจิตไม่ใช่มาถามเขาว่าฝึกยังไงนั่นแล้วมันไม่เมืเ่อย เดี๋ยวฝึกยังไงยังไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี่ฝึกฝืนธรรมชาติเป็นไปไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงจิตใจของไม่เที่ยงจิตใจเราทํางานทั้งวันทั้งคืนเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวรู้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนตลอดทํางานตลอดเวลาไม่คงที่มันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภานว่อันใดหนึ่งนานๆไม่ได้จริง มันสุกก็สุกช <AS> <emen> ั่วกราทุกก็ทุกเชื่วกาบดีก็ชื่วกาบชั่วก็ชื่วกาาเป็นคนอยู่ในสภาวะอันตดหนึ่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทุกข์ทุกขังเรืยกทุกข์ทุกขลักสนะมันเป็นทนอยู่ไม่ได้จิตใจเป็นอนัตตาเรบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ การที่เราไปยรู้กายคอยรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มือนบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราถ้าปึกอย่างนี้เห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้า่ยใจจะกลายความยึดถือในกายในใจนี้ออกไปพอมันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจ้มันไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายกับใจนี่พอเราไปเอากายมาเป็นของเราพอกายมันทุกข์เราะเพราว่าเราทุกข์ด้วย ความทุกข์มันสร้งจี่ใจเราไปเอาใจมาเป็นของเราจิตใจได้คือตัวเราาใจมันทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยไม่ว่าไปแบกทุกข์แทนขันน่ะขันนั้นมันเป็นตัวทุกข์เลยตัวของมันเองแต่เราไปช่วยมันแบกทุกข์ขึ้นมาที่ทาเรียนก็ให้คล้อยตามสัจจ์ความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอมรับความจริงใจยอมรับความจริงใจยังไม่ดิ้น ใจที่มันไม่รับความจริงมันดิ้นทุกวันนี้ใจที่ดนก็เล่าเรื่องนี้หลยมีความจริงนเรียนที่ตัสนานะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจแต่ก็ข้าไม่เป็แดดไม่มีอะไรมากนะนี่หลวงพ่อเรื่องแกะเรื่องพูดก็ไม่มีอะไรมากเป็นการตัดบทคร weiß, wa, ูบาอาจารย์ ถึงเห็นได้ยิ่งแก่มากเลยพูดสั้นหลงสั้นแล้วก็วจะบอกไม่มีอะไรมาก ม, ามีสูตทางมีสติรักษาที่ไม่มีอะไรมากหรอกเ<ม>้าที่เรจากเราเรียนรู้กายตามความเป็นจริงเรียนรู้จิตใจตามความเป็นจริงเราเรียนรู้ความจริงได้ก็สองอย่างอย่างหนึ่งราโมกแต่เผอไปคิดคิดทั้งวันรู้แต่เรื่องที่คิด เม่อไรรู้เรื่องพิคิดเมื่อนั้นจะลืมกายลืมใจนี่คือกดของสัมมะเรื่องการทำอนิยามการทำอนิยามข้อหนึ่งจิตรู้ว่าหลงได้อันเดียวรัง้งได้อย่างเดียวเมืเ่อไปรู้เรื่องพิคิดก็ไม่ลืมกายลืมใจนี่เรียกว่าหลไปนในสมมุติปัญญัติสุดโต่งทั้งหลงอันที่สองก็คือเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจจะพองไว้กําหนดไว้ควบคุมไว้กายกับใจก็นิ่งนิ่ ง, งทื่อ ไม่สแสดงใจรับให้ดูสิ่งที่ปิดก็มีสองงานแต่พวกเราชอบทำถ้าไม่เผลอก็ใจลอยทั้งวันนะถ้าเผลอก็ใจลอยมีเท่านยิแต่ถ้าเผลอไปแล้วรู้สึกตัวพวกเราจะตื่นขึ้นก็จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าเพ่งนะรู้ว่าเพ่งก็ไม่หายนะไม่ค่อยหายการเพ่งมันไม่ใช่อกุศลอะไรเปการควบคุมตัวเองก็เป็นกุศลเบื้องต้น ส่วนที่ยังบงังคับตัวเองงั้นถึงมีสติรู้ว่าเพ่งก็ไม่หายเพ่งดนั้นถ้าคนไหนติดเพ่งนะต้องหลอกให้เผลอพยายามยั่วให้เผลอแบบคนติดหนักนะคระบูบาอาจารย์ใช้ีด่าเลยมีเาอองหนึ่งอยู่บูดีลำรู้สิดนตูดจาชื่อท่านไม่ได้ท่านเียาเรียบร้อยมากต้บครูบาอาจารย์มากวันหนึ่งท่านนกว่าท่านเป็นพระบาท ติดไปติดความสงบออที่ว่าเป็นธาตอาหารก็มาหาหลวงู่ดุลนะ้วเดินมานะจากบุรีรัมเดินมาทั้งทั้งวันนะเดินมาถึงค่นะําเลั้งแต่เช้าเดินมาสุรินข้ามเข่าข้ามก้วยนะไม่ได้มีถนนเดินมาถึงวัดบูนแล้วึกเลยีุ่มห้าพุ่มไปแล้วพนระ ก, ก็ปิดประตูไปไถึงแนละ้วต้องะตะวกนเองอนะไรงี้ หลวตาดูนพระละหันมาแล้วออกมาฟังธรรมเรียกหลวงตาดูนออกมาฟังธรรมปะเทศให้ฟังแล้วตกประตูนะเรียกเหนียวยวัยเรียกหลวงปู่เดี๋ยวไม่พอนะตกประตูท้งบ้านบ้านเล่นแตกหนึ่งให้มาฟังธรรมพระละหันประเทศให้ฟังห <c oughs> ลวงปูก็หลอกให้พระเนหลอกอะไไว้ในบุญ บอกว่าตอนนี้คนอื่นยังไม่ร่วงเลยฟังทําไม่ได้หรอกท่าถ้าลหันไปพักก่อนก่นอนร่างกายคนฟังมันไม่พร้อมนะเขาฟังไม่ได้เสร็แล้วท่านก็พยายามตอนที่กลับมาดูจิตตอนเช้าขึ้นมาพยายามสอนให้กลับมาดูจิตตัวเองคือเอาแต่สงบแล้วก็หลงไปยังไงยังไงก็ไม่ยอมเลยหลายวันสุดหลวปู่ใช้ไม้ตากดาบ สตสัตได้ไรฉันตาคนสตัสตว์รนรกตายฉันอานนี้ก็ละหันโกรธลรหันเรากูไปก็ได้หลตะ ด, ดูไม่ใช่แม่กูไม่ใช่ไม่ใช่พอช่อละโมโหหลวตาดูลไม่ใช่แม่กูแล้วท่านเจ้วามไม่กวาดท่านึกว่ากรธนัึกว่ากโกรธโรดท่านเอาไม่กวาดแบกไปอบจากวัดเล แบกโหลดไปแล้วเดินเดินไปด้วยความโมโเดินไปถึงวัดปา่าโยธาประสิทธิ์อยู่ในวิอะไรครูตรงทางไปวัดหลกงปู่สามในทางอำเภอปราษาทไปแลไปแปะเข้าไปที่วัดปาโยธาประสิทธิ์จำไม่ได้ตอนนั้นมีอุูบาอจารอยู่ไรู้หลวงู่ชดหรือเปาแต่ท่านเข้าไปถึงวัดป่ายธาประสิทธิ์ร่มรื่นสบาย แต่ได้สติโลดนม่แสดงว่าไม่ใช่้าตอระหัน ไ, ได้สติขึ้นอยู่กับคุบาอจารย์แต่โลกุครูชดยิ่กันไม่ได้เสร็จแล้วก็หายเหนืหายเหนื่อยนะเดินไปไกลเริ่มไปแจกบุรีลำไปสุดินเลยต่างหายเหนื่อยแล้วก็เลยติเขอขอมามันคุ้มตัวใจที่รู้ไม่สนใจตัวเอง แต่ก็หลงปรุลงลงแต่งถ้าเราคอยรู้ทันจิตใจเองไร่ไไม่เป็นไ ร, ร, รแต่ถ้าไปเจอพวกติดมากๆนะบาทีใช้วิธีหลอกให้หลงคุบาจันทีใช้ด่าคุบาจันที่ใช้วิธีดา่ามีไหนบนะ้างนะเรคุณอุบาวีก็ดาัามีผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกทันบอกฉันเป็นพระอรหันต์ อดิฉันไม่โกรธแล้ะดิฉันเป็นคนที่หมดความโกรธหมดความโกรธก็หมดมวด่าเป็นธาตุนักฆาแล้วดิฉันหมดความโกรธแล้วท่านหันกลับมาพี่ตอแหล <c oughs> มือมันตอแหลู <c oughs> โกรธนะโมโหไม่พูดด้วยละไปละลปากไม่ดีดิฉันตาดีมากเลยต า, ทาแท้ๆเลย โมโหโตเสือเดินลงวัดอารมค้นวัดแต่ยัข <mot iv erem> ึ้นได้ต้องโกรธเลยกลับมาขอกรรมาธทานะางทีดาเ็าเป็นไม้ตายนะให้ครูบาอาจารย์ไม่จะเป็นต้องชมเสมอไปหรอบาทีอยู่กับครูบาอาจารย์ก็รู้สึกครูบาอาจารย์ปฏิบัติแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่บางคนนะท่านโู้โลปฏิโลมมากเลยนะ ภาวนาได้นินดๆหน่อยๆไปชมนะบางท่านภาวนาดีบางใจก็เฉยๆหรือติดนู่นติดนี่ก็มีเราแน่ไม่ได้เอเคโลกุเทศเนะโลกุเทศนั้ใครไปเล่ากรรมฐ า, านนะท่านชมหมดเลยโอ้ดีดีดชมว่าดีหมดถามว่าทำไมมันดียังไงไม่เห็นมันจะดีเลยไม่แช่ตมะสามนะปลาทัสะสะ เขจะได้มีกำลังใจจะได้ปฏิบัติบางคนสอนไม่ไหวครอาจารก็ไม่สอนเฉยๆมีผู้หญิงคนหนึ่งงานลงตัวดุลนะภาวนาจนพุทโธหายท่านมองหน้าแล้วเออพูดอีกหลายวันก็ไม่รู้เรื่องเลยโทโหายก็ดีรู้ือนกันจิงท่านบริกรรมจิตสงบนะต้องพุทโธพุทโธไว้ถ้จิตสงบมันก็เลิกท่องพุทโธหาย ผู้หญิงคนนี้พุทโธหายเพราะว่าไปคิดเรื่องอื่นแทนพุทโธพุทโธเราพุทโธหายไปเพราะโมไปคิดเรื่องอื่นหลวงพอไปก่อนใครมานัะเที่ยวเก่งสุดๆเลยนะพุ่มเทยังให้รู้เรื่องไม่ได้เลยยำสอนหลังๆก็คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นต้องต้องเอย่างครูบาอาจารย์บางคนมันสอนไม่ไหวนะสอนยากยากไม่ก่อดไม่รู้จะทํายังไง เบรสามสิบสี so hungry, so so so so. So ่ร so ู so ้จ so ัดใจลอยยังเบอร์ส so ี so ่ส so ิบเมื่อกี้ไปดูครับฝึกไหมเราหันไปดูคําบเ้ื่ี้ตอนที่เราไปดูเ้าเราจะดึงตัวเราเองเราฝึกเรื่องสติคือใม้มีสติจิตใจของเราเป็นยังไงเราใจรู้ทันใจรู้เรื่องเบอร์แปสิหกรู้จัดใจลอยไหมนึกออกไหมวันเราใจลอยบ่อน ใจลายใจลายมีหลายแบบนะใจลอยสุดขีดเลยแต่ไปคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนก่นเคยเป็นไ้ยนั่งนั่งหรือคิดอะไรก็เป็นชั่วโมงแล้วยังไม่รู้เลยคิดอะไรสะเปกสะปะนี่ใจลอยสุดขีดเวลอยอยีกแบบหนึ่งรู้เรื่องที่คิดนะก็คือการที่เรานั่งคิดเวลาเรานั่งคิดไปเรื่อยเรื่อยเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่ขณะ น, นั้นเราจะลืมกายลืมใจไปเลย รู้สึกไหมอย่างนั่งตังหลงพ่อเมื่อเมื่อที่หันไปดูรู้สึกเวมถาหันไปดูเ้าเราลืมตัวเราเองเออมันเหมือนเราหายไปจากโลกถ้าเมื่อไหร่เราหายไปจากโลกเรียกว่าเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ทํำมิปัส น, นา ม, มันได้แต่ลอยไปแย้วแวบบ้บมุงดวงไหมไหลแว้บไปเฉยๆไม่น้ามนะเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่อฝืนธรรมดาเราได้เรียนเพื่อืนธรรมชาติ เราจะเรียนรู้ธรรมชาติเนี่แหะเรียนรู้ธรรมดานะเบอร์สามเบอร์สามอ่ะใจล อ, อยไปแล้วทราบไห ม, มเออนิดๆที่อยากหลีที่เห็นแจ่ม่หลีกนะเบอร์สามเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมเริ่มเข้าไปควบคุมตัวบังคับให้นิ่งๆให้ทื่อๆจะอยากรู้สึกตัวแค่อยากรู้สึกตัวแล้วพยายามรู้สึกตัวก็ผิดแล้วล่ะใจจะแข็งแข็งทื่อๆ ไม่มีความสุขโบใจลอยแล้วโบหลวงก็มีรู้สึกชื่อโบอะไรคน <c oughs> คนนี้มาก่อนทช่ไมันก่อนโบนู้นี่โบราณมาก่อนเขาคนนั้นโบใหม่เลยนี้มาก่อนเมืแปดสิบหกเมื่อกี้นี้ทำอะไรอยู่ลืมออกไลยไอ้ทีนี้ นั่งคิดตัดถูกแล้วไม่ต้องบอกหลวงพ่อว่าคิดเรื่องอะไรหลวงพ่อต้องการให้รู้ว่าเมื่อเทียงเผือไปคิดเนีรยคิออกไหมตอนเราไปคิดเรลืมกายลืมใจไปเองเมื่อไหรลืมกายลืมใจไม่ได้มไม่ได้ทํานิพพัสนาเมื่อไร่รู้กายรู้ใจแล้วนะทำสมฐฐาธาอย่างนี้ก็รู้ปัสจณาสมาธิก็คือไปเพ่งกายเพ่งใจเพ่งมันคนดูท้องของยุบเพ่งท้องคนดูลมหายใจเพ่งลมหายใจ คนดูมือดูเท้าเขาเพ่งมือเพ่งเ้าถ้าเป็นนิพพานนะเรารู้เฉยๆได้เพ่นเราดูร่างกายนี้อย่างเพ่งมันเห็นมันพยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่นพยักหน้าไม่ใช่เราเราจะฝึกไปเรื่อยดูกายนี้แต่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเห็นมไหมตัวนี้พยักหน้าอีกแล้ว <c oughs> เริ่มบังคับตัวเองนะถึกแม้ทําเป็นถึงถึงทำเป็นสมรวมใจหลงลป่ยแต่งใจขั้งดี ปรุงแต่งมีสองงานข้างชั่วหรือข้างดีข้างชั่วคือหลงไปเลยข้างดีคือบังคับตัวเองกวกลุ่มกายก็กลุ่มใจหัวเบอร์สามทำอะไรอยู่ตับถุกใชได้หัดรู้สภาวะในตัวหัดรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนะหัดรู้ไปใจลอยก็รู้ไปบังคับตัวเองไว้ก็รู้หัดรู้บ่อยๆถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองเลย เกิดได้เองนะแปละเช่นเรากาลังใจลอยอยู่ดีๆเกิดรู้สึกตัวขึมาโอ้เมื่อกี้ใจลอยลใจจะตื่นขึ้มนมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้มนมาในฉับพลันขึ้นมาเองแต่ไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพูดฟังไปคิดใจดวกไหมจริงๆไม่คิ ด, ด, ยคดเดยอะกว่าฟังอีกคือคิดตลอดเวลารู้สึกไหม เราฟังมาตั้งแต่เด็กๆเลยฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์พูดเลยรเนี่ยเราฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราไม่เครู้นั่น moments, เราคิดว่าเราฟังรูปเดียวแต่เรารู้ไม่ทันตัวเองจริงๆแล้วฟังไปคิดไปถ้าฟังแล้วไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสามารถที่รู้เรื่องรู้เรื่องก็อะไรรู้เรื่องก็คิดนั่นสมมุติครูบาอาจารย์พูดด้วยไพยคําประโยค สามประโยคแล้วเราบอกว่ารู้เรื่องจริงๆรู้เรื่องเพราะคิดเอาเองสิ่งที่รู้เรื่องอาจจะไม่ตรงกับที่อาจารย์บอกก็ได้อาจารย์ต้องการบอกอย่างนี้เราไปฟังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราคิดเอาเองการเรียนรู้ธรรมะ้วยการคิดเอาเองนะหรือนั่งฟังไปคิดไปไม่ได้รู้ของจริงมันเป็นรู้เรื่องที่เราคิดเอาเองอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ อย่างหลวงปู่ดูลสอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราได้ฟังแล้วเราคิดถึงอะไรมิตรคนส่วนมา ก, าออ ก, กงงที่อย่าส่งจิตออกนอกก็คือจงส่งจิตเข้าข้างหนเข้าไปเพ่งในข้างในหลวงปูไม่ได้สอนหลวงปูบอกอย่าส่งจิตออกนอกแล้ก็คิดเลยโ อ, โอ้ไม่ใไปข้างนอกงั้นต้องเข้าข้างไหนถ้าเราคุ้นกัสื่อที่เป็นผู้ผู้ถ้าไม่นอกก็ต้องหนเราไม่ไม่รู้จักสภาวะที่เป็นกลาง เราเรจยกแต่ฟองไปคู่ๆกันถ้าไม่น่า ก, ก็ต้องหนไม่ถูกก็ต้องผิดไม่ดีก็ต้องชั่วไม่มืดก็สว่างโลวงปู่ เ, เทสที่มาสอนต่อนะหลวงปู่เ ท, ท่านไมนหลังหลูงปู่ดูลย์ท่บอกไม่ส่งนอกไม่ส่งในแกย่บางคนชอบเข้าไปข้างในแบบไม่ส่งนอกไม่ส่งในเราคิดได้ ไ, ไหมทํำไงจะประคองไว้ตรงกลางได้อุบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ประคองไว้ตรงกลาง เราคิดเองนี่เป็นตัวอย่างนะที่บอกว่าพอเราฟังแล้วเราก็ไปคิดอีกอย่างนึ่งเพราะฉะนั้ธรรมะเนี่ยพอฟังแล้วไปคิดอนีน้มันจะเพีย้ยนตลอดเลยจะเพียจจ้ยนไปตามใจกิเลสเราหลวงปู่ดูลบอกไม่ส่งนอกแต่ก็แปลว่าต้องส่งเข้าข้างในหลวงปู่เทสบอกไม่ส่งนอกไม่ส่งในเราก็คิดว่าต้องประคองไว้ตรงกลางพอมาถึงสมัยหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกเช่นนี้เลยอย่าไปทําอะไร ตัวกลางก็ไม่ต้องปรับฟังไว้แล้วก็ยังคิดอีกทำยังไงมันจะไม่ทําือไม่กดไม่ได้จูงแบบแต่งไม่ไธรรมะของง่ายๆหรือกลายเป็นของยากแต่เป็นของลึกลับซับซ้อนทั้งที่จริงธรรมะของง่ายทำไมธรรมะเป็นของง่ายธรรมะเป็นของจริงเป็นของที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเลย ธรรมะก็คือกายกับใจเราเองเรียกว่ารูปธรรมและนมามธรรมมันจะไปยากอะไร่เป็นองติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนี้เราไปว่าธรรมะเพ้อหรูหาราผมุฟ้าคืออะไรก็ไม่รู้ลึกลับจบับตอดกลายเป็นของยากไลถ้าเรียนรู้ธรรมะค า, ารู้กายคายรู้ใจเพิ่บ่อยๆนะจนเห็นเลยกายนี้ ใ, นใจนี้ไม่เชี่ยงเป็นฟุกเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราจิตมันปล่อยวางความยึดถือกลยยึดถือใจได้ จิตจะไม่ทุกข์นะจึงเห็นว่ความทุกข์มันอยู่ที่กายกับใจถ้าไม่ร่างกายทุกข์ก็จิตใจเป็นทุกข์รู้สึกไหมไม่มีความทุกข์อันที่สามนะไม่ใช่โตทุกข์ก็ยีทุกข์ไม่ใช่นะบ้านทุกข์บ้านนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์อยู่ที่ร่างกายทุกข์หรือแล้ก็จิตใจทุกข์ถ้าเราไปยึดเว่ากายกับใจเป็นตัวเรานะพอกายมันทุกข์เราก็จะทุกข์ด้วยพอใจมันทุกข์ เราก็ทุบด้วยอไปหลงทุบแทนร่างกายกับจิตใจไปหลงทุบแทนขันห้าแต่ถ้าจิตใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยึดถือขันห้านั้นขันห้ามันก็ทุบไปตามเรื่องันรงนันแต่เราไม่ทุบเพื่อนะเราไม่ได้ไปหยิบฉวยมันคือเราฝึกจนกระทั่งใจเราไม่หยิบฉวยรูปนามกายใจไม่ไปหยิบมันให้กายกับใจมันเป็นทุกบโดยตัวของมันอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไร ไม่เกี่ยวอะไรกับเราิตใจล้วไม่ทุกข์เลยนะแอบไปคิดอยู่แล้วเบอร์แปดสิบหกจำไหมอืมอ่อันนี้จิตไม่ดีเสมอเรื่งต้องมีตัดฝะดัดตุ้นจิตเมื่อพอปล่อยทิ้งไปนานๆเฉยๆดูมันไม่มีเรื่องมีอะไรนี่การตระตุ้นทำได้หลายอย่างเช่นจารมาฟังธรรมะต้องตัะตุ้นอ่านหนังสือธรรมะคิดพิจารณาธรรมะ สนธนาธรรมะคุยธรรมะ ก, กันหรือกระตุน้นหรือว่าปฏิบัติในรูปแบบบางทีแต่ปฏิบัติในรูปแบบบางก็ชฉยเฉยได้เหมือนกันใจก็เหนือยเนืยได้ต้องมีผัสสะแปลกใหม่มากระตุ้นบ้างครูบาอาจารย์บางทีก็หาสิ่งกระตุ้นนะเช่นแต่ก่อนช่วงไหนเหนื่อยเนื่ยไก็ไปหาครูบาอาจารย์แอคทีฟขึ้นมาช่วย บางทีหาสับาจาย์แล้วก็ยังไม่ตื่นตัวสัวบาจาัน์ก็ไปอยู่กับเสือกระชาระ้างครับงูอะไรนี้ตื่นตัวจต้องแกล้งขึ้นเะฉะนั้นเวลาเราไปอยู่ที่ซ้ำตากนะ้นา น, นานเฉยเฉ ย, ยได้เหมือนกันถ้าเปลี่ยนที่ภาวนาบ้างอะไรบ้างหาภัดซาใหม่ๆช่วยกระตุ้นเลยให้ตื่นตัวอ ดีนะไอ้ที่เหื่อยๆไปเมื่อวันนี้แล้วคือฝนมัอตกใจมันก็สงบมากขึ้นสติมันเร็วขึ้นแต่ตั้งมั่นมากขึ้นเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราจิตใจเคลื่อนไหวหเปลี่ยนแปลงก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปเห็นได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ดีแล้วะ แต่ น, นี้ก็เหลือแต่ว่าตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆจนเป็ น, นปอพอทุกพอของเขาเองนะเหมือนเรากินข้าวกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอิเมเองจิตใจก็เหมือนเป็นภาวนาไปมีหน้าที่ตามดูตามดูทุกวันนะถึงวันหนึ่งก็อิ่มทุกพอของเขาองอย่าหยุดก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ใช่ทําแบ่ตะบี้ตะบันทํานะซึ่งทำจนกระทั่งซ้ำรากไม่มีอารมณ์อะไรเลยซึมๆเลย ก็ซึมราคาตังหลายๆวันนะอย่างนี้เรียกว่ามไม่ฉลาดไม่ฉลาดในการปฏิบัติต้องหาทางให้มันมีผัสสะกระตุ้นให้แอคทีฟขึ้นมือบ้างอย่าให้มันติดความเฉยแล้วปฏิบัติถ้าไปติดความเฉยเฉยตเงี้ยเออ คิดเอาหรือว่าเป็นกระตบกพลัางงานก็กระตบความรู้สึกหรือคิดเอาเองที่ว่ารับอย่างอื่นมาไว้ในใจเนี่ม <c oughs> อ๋อในมรื่องของตัง น, นี่มันมีบางทีไปรับข้างนอกมาเช่น ผีมันมาร้องไห้ใกล้เราใจเราก็เศร้าขึ้นอย่างนี้ก็มีตัวทีไปคิดหาเรื่องไปเี่งโทษคนอื่นคิดหาเรื่องแล้วปลุงขึ้นมาอันนี้ปุ้งเฉยเฉ่าเดี๋ยวเราอยู่สั้างไป